เตือนอารมณ์แล้วคออ่อยๆเติมต่อเติมเสริมแต่งไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นเองแหละไม่ค่อยยามันน่ายากเท่าไหร่แต่ที่ยากก็คือมันแต่ละคนก็มีความคิดเห็นเป็นของตัวเองเนี่ยน ะ, ะตรงนี้แหละที่เราว่าของมามีความรู้สึกว่ามันยากมากๆเลยเขาก็คิดแบบเขาอะเราก็พูดแบบเราเสร็จแล้วมาให้มันมาชนกันเนี่ยตรงนี้ยากมากนะมีโยมคนหนึ่งเหมือนกันเขาก็คิดแต่เรื่องของเขานะเนี่ยเราก็แนะนําไปเขาก็มาถามปัญหาเราใช่ไหมเขาก็ถามเราเราก็ตอบเข้าไป ไอ้ที่เราตอบนี่เรารู้เลยเขาไมไ่ไปคิดตามเราสักอย่างเลยถามมาดูได้จากอะไรดูจากคําถามมันหลังเขาก็มาถามเรื่องเดิมอีก <Okay. S 1> บอกเออให้มันได้อย่างไงดีมันก็ <laughs> <laughs> สรุปว่าเป็นนั้นว่าคุยกันคนละเรื่องเดียวกัน <laughs> ก็ไปด้วยกันเหมือนกันนะไปได้กันได้มาแไปด้วยกันตั้งหลายปีเหมือนกันเออ e uh, เป็นอย่างไงแต่เสร็จแล้วถามว่าอะไรมันเกิดขึ้นบอกว่ากี่ปีแก่ปีแกก็รู้เท่าเดิมเพราะแกคิดแต่แบบแกขแบบแบบเขาอ่ะนะเขาก็คิดแต่แบบเขาอนะ่ะ เพนะื่อซึ่งอย่างว่านะเราไม่มีอินทริยะปโปรภยตญาณเราไมา่มีอาสยานุสญยาณยเราก็แสดงทำเอาบุญอย่างเดียวเนี่ยนะมันก็เป็นอย่างนี้พันหวังอย่างบางคนเขาก็ตั้ตรัสรู้เป็นต้นเนี่ยไม่ใช่จังง่ายนะนอกจากว่าเออเนี่ยเออได้ฟังหนึ่งชั่วโมงก็ได้บุญไปชั่วโมงแล้วเนี่ยนะตอนหลังก็กลับมาคิดอย่างนี้จริงๆว่าก็คิดเกินนั้นมันจะป่วย เราคิดว่าเขาต้องเข้าใจเข า, ออางงเขาต้องอย่างนั้นเขาต้องอย่างนี้โอ้ยไม่ได้แล้วก็คือแล้วก็อย่างหนึ่งโดยรวมๆแล้วก็อัธยาศัยประเภทวิวัติกเขาไม่ได้มีกําลังอะไรมากมายนะบางคนเห็นแค่อุปสรรคเล็กๆน้อยๆก็เอาละเนถอดหัวตั้งนานละนะใจถอดหมดเลยนะอุปสรรคเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองซึ่งอย่างบางคนเขาก็ตั้งใจอะไรเขาเขามาศึกษาพระธรรมเพราะเหตุผลอย่างอื่นๆเนี่ยนะคือ อ่าที่ท้าวสะกตะถา ม, มแสดงให้ฟังดีกว่าเอ อ, เ อ, อมีคําถามนีม่คาถามนะครับของพระภิกษุนะครับตอนที่พระพุทธเจ้ายังไม่ได้บัญญัติ ส, สิกขาที่ตั้งไว้ไม่านก็สัตว์โลกมีธาตุเป็นอนเนกมีความคิดเห็นเป็นอนเนกเป็นอันมากเนี่ยนะก็ก็มันก็เป็นอะย่างนี้แหละของมายังว่านะใครจะเก่งนะลองมาทําดูทีจะดูว่าเขาจะทํำยังไงนาะเนี่ยนะ ก็ยังรอร อ, รอดูมันกันว่าเอ๊ะเขาจะทํำยังไงเนาะก็เนี่ยเปิดเผยอริยศัพท์นี่แหละมนะันจะทํำมาอย่างไรอะนะก็รอจันาร์ตันตินอะไรก็แล้วกันชะนิมน์ท่านพักผ่อนอย่าให้ผู้การแสดงให้ฟังดีกว่าเอ่อเติมมีคําถามทีม่คําถามนะครับของพระภิกษุนะครับตอนที่พระพุทธเจ้ายังไม่ได้บัญญัติสิกขาบทเนี่ยท่านก็ไปทําสิ่งที่บางครั้งก็อาจจะไม่ดีงามแต่ว่าก็ยังไม่ได้เป็นเครื่องกัน้น แต่พอพระพุทธเจ้าบัญญัติสิกขาบทแล้วเนี่ยถ้าท่านไม่รู้มันก็ยังไม่เป็นเครื่องกัน้นถ้าไปทําผิดนะแต่ถ้ารู้ถึงจะเป็นเครื่องกัน้นตรงนี้มันมันเหมือนกับว่าเอ๊ไม่รู้มันจะดีกว่าหรือเปล่าเพราะว่าถ้ารู้แล้วไม่ไม่เป็นแสดงอบัตก็ก็เป็นเครื่องกั้นใช่ไหมครัคือยิ่งไม่รู้เนี่ยนะยิ่งเป็นเครื่องกั้นที่ยิ่งใหญ่มากถ้ายิ่งไม่รู้นะยิ่งเป็นเครื่องกัน้นมันอย่างว่าเราเอ า, มาเมล็ดพืชที่เน่าเนี่ยนะดูข้างนอกมีความ สมบูรณ์เต็มที่แล้วเอาไปปลูกเนี่ยนะมันก็คือปลูกมเมล็ดนาว่ะยังไงมันก็ไม่งอกฉันใดผู้ที่ไม่รู้แล้วล่วงละเมิดเนี่ยนะ ย, ยิ่งไม่รู้ยิ่งมีโทษมากเท่านั้นถ้าหากว่าไม่รู้เนี่ยแล้วเป็นความดีแล้วดีจริงพงองจะไม่สอนให้พระภิสูเรียนจะไม่ต้องให้ไปขวนขวายศึกษาให้ให้ทรงจำให้อะไรเป็นต้นเพราะไม่รู้จะเกื้อกูลต่อการบรรลุมากกว่าแทนการไม่รู้นั้นถือว่า ถ้าผู้ตามแนวไม่ินถ้าปัญหาก็คือมันก็เหมือนพืชที่เน่าอ่ะนะเหมือนพืชที่เน่าอ่ะก็สังเกตดูในในพระตาบิดกมีไหมพระพิสุที่ไม่รู้แล้วได้ดีแต่ถ้าถามว่าตอนต้นๆ้นที่ยังไม่บัญญัติพระวินยัยบอกตรงๆเลยว่าภิกษุเหล่านั้นคือผู้สมบูรณ์ด้วยหิริและโอตะปะท่านเหล่านั้นเป็นผู้ใข่ต่อการศึกษาอย่างแรงกล้า ม, มากถ้าเป็นพระพิสุรุ่นแรกนะเช่นรุ่นพระอัญยาโกณทัญญะนะ เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยหิริโอต ป, ปะอย่างเช่นในในในกลุ่มพระภิกษุที่ไปอยู่ในในเมืองราชครึกนะกลุ่มที่ไปที่เมืองราชครึกเนี่ยพระภิกษุเหล่านั้นนะแค่คนเห็นตับเลื่อมใสเลยเพราะสมบูรณ์ด้วยกิริยาท่าทางสมบูรณ์ด้วยอิริยาบทสมรวมอินทรีย์เป็นต้นเนี่ยนะท่านเหล่านั้นเป็นผู้มีฮิริโอต ป, ปะอย่างแรงกล้าตอนที่มีศีขาบทเริ่มมีคนไม่ดีเข้ามาบวชแล้วจึงมีศีขาบท แต่ถ้ารุ่นแรกๆนี่แทบไม่ต้องใช้สิกขาบทอะไรเลยอย่างที่พระองค์บอกว่าพระองค์ไม่ต้องลำบากด้วยโอวาทอนุสาสนีเพียงแต่บอกว่าเตือนด้วยสติให้ให้มีสติเท่านั้นเองอะนะว่าอะไรควรอะไรไม่ควรแนะนํากันไม่มากะนะอย่างที่กล่าวว่าถ้าหลักคําใส่วัตถุโอนเนื้อจริงๆก็ไม่มากว่าเธอจงอเธอจงอย่าตรึกสิ่งนี้จงตรึกสิ่งนี้วัตถุกรรมทีนี้ที่เป็นเครื่องกั้นไม่ใช่เพราะมีวิัยบัญญัติ นะไม่ใช่เพราะมีวินัยบัญญัติจึงเป็นธรรมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องเยอะอะไรทั้งธรรมะจริงๆเนี่ยถ้าจะว่าให้เหลือไม่เยอะมันก็ไม่เยอะนะก็อย่างที่ว่าทะเลจะกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนก็อันเดียวคือโดยโดยรถฉันใดธรรมวินัยก็เหมือนกันนะถึงจะแสะดงวิจิตพิสดารปานใดก็ตามวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อกาจัดฉันทราคาในในวัตถุกรรม ะนะตัดกิเลสกรรมตัดฉั้นราคากิเลสกรรมในวัตถุกรรมทีนี้ที่เป็นเครื่องกั้นไม่ใช่เพราะมีวินัยบรรยัญญัตนะิไม่ใช่เพราะมีวินัยบรรยัญญัติจึงเป็นเครื่องกั้นแต่ถ้ามีพระวินัยบรรยัญญัติแล้วถือว่าเป็นเครื่องกั้นนะแล้วเข้าไปล่วงละเมิดแล้วเป็นเครื่องกั้นก็ประกาศอยู่แล้วว่าคนนั้นไม่ได้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเลยยังไงก็ไม่คู่ควรต่อการบรรลุอยู่แล้วถึงรู้ว่าเออนี่พระพุทธเจารร้าบัญญัติแล้วนะก็ยังคิดที่จะล่วงละเมิด คราวนี้มีความเริ่มใส่นะครับแล้วก็ตั้งใจในการที่จะปฏิบัติแต่ว่าไม่รู้สิกขาบทหรือว่าอย่างเช่นรับเงินทองเนี่ยไม่ได้มีเจตนาในการที่จะล่วงละเมิดแต่ว่ารับไปด้วยไม่รู้ว่าเป็นเงินทองเนี่ ย, ยนี้ต้องะบัตใช่ไหมครับอสําคัญตรงที่ว่าเมื่อรู้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นรู้แล้วนี่ ต, ตั้งอยู่ในความเคารพไหมตอนนี้ไม่รู้ครับไม่รู้ แต่ว่าคจริงเป็นอบัตแล้วแล้วก็เจริญวิปัสนาอันนี้จะบรรลุไหมครับยังไม่เคยพบว่าบรรลุยังไม่เคยเพบว่ามีอบัตติดตัวแล้วบรรลุเท่าๆ ท, ที่อ่านมานะยังไม่เคยพบตัวอย่างเดียวก็ไม่มีแต่ถ้าเกิดท่านไม่รู้ตลอดชีวิตนะครับไม่รู้ตลอดชีวิตก็เชื่อว่าไม่ได้บรรลุตลอดชีวิตอีกเหมือนกันครนี้มันจะมีผลยังไงไนะนะมันจะมีผลยังไงครับเพราะว่าท่านก็เจริญ สมถาวิปัสนาทำปริญญาโดยที่มีความเคารพในสิขาบทอย่างแรงกล้าแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นอต บ, บแล้วเขามาอยากจะไม่อยากจะเชื่อว่าเป็นแบบนั้นทำไมรู้ไหมเพราะการทำปริญญาการเจริญวิปัสสนาอย่งไงก็ต้องเอาเรื่องเองินเรื่องทองมาทาปริญญาจนได้ผู้ที่พี่ปฏิบัติธรรมระดับสูงเนี่ยเป็นคนละเอียดทุกเรื่อง ละเอียดในทุกอารมณ์แล้วก็ละเอียดในทุกความคิดของตัวเองสิ่งนี้ควรไหมสิ่งนี้ไม่สมควรไหมสิ่งนี้มีโทษไหมอะไรเป็นต้นไหมท่านจริงๆแล้วผู้ที่จะตรัสรู้ได้เนี่ยเป็นคนละเอียดมากเนีๆๆ่ยนะเสนาบดคือละเอียดในอารมณ์ทุกอย่างที่เข้าไปเกี่ยวข้องหมดเลยอย่างอย่างนี้นะครับถ้าเขาเอาเงินใส่ในบาทมาเนี่ยโดยที่ไม่รู้มันมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่ไม่รู้เพราะว่า เพราะว่ายัางไงมันก็ใช้บาทอยู่ทุกวันออย่างนี้ครับถ้าท่านใส่ในถุงมาแล้วก็เราก็เอาไปถึงก็ไปเทให้สามเณรไปเลยมันก็ไม่มีโอกาสรู้ถ้าไมสามเณรไม่บอถ้าเป็นจริงๆแล้วนะถ้าอยู่ถ้าถ้าหลักการจริงๆเนี่ยนาวีติกมะเนี่ยเมื่อรู้แล้วก็ก้าวล่วงเป็นอรชีแต่ถ้าไม่ใช่เป็นอรชีแต่ว่ากคือต้องไม่ได้ตั้งอยู่ในฐานะน่ะนะเออนานาซาถ้าเป็นแบบฐานดิบนะ เดี๋ยวเดี๋ยวถึงเราฉันไปนะอิ่มไปเต็มที่เลยนะ เ, เฮ้ยนี่มันดิบนะเดี๋ยวก็มีคนวยวายมาจนได้แหละนะคือมีอบัตที่ไม่รู้ตลอดชีวิตน่าจะมีนะครับเพราะว่าถ้าอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกับใครเนี่ยอย่างอาหารที่ติดบาดก็ดีที่รับประทานเข้าไปเนี่ยฉันเข้าไปโดยที่ไม่รู้เนี่ยคือสงสัยตรงที่ว่าอนาวิติกมะเนี่ยเมื่อรู้แล้วก็ก้าวล่วงเป็นอาราชี แต่ถ้าไม่ใช่เป็นอรัตชีแต่ว่าก็คือต้องไม่ได้ตั้งอยู่ในฐานะอรัชชีอะไรถ้าถ้าเป็นแบบนั้นนะคือเพราะว่าไอ้อนาวีติกมาเนี่ยที่มีโทษเพราะว่าเช่นว่าตอนต้นไม่รู้แต่รู้แล้วฝืนอันนั้นแหละจึงจะเรียกว่าเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นอรัตชีเนี่ยนะเพราะความเป็นอรัตชีเนี่ยตรงที่ว่าไม่มีฮิริโอตปะก็เลยคิดว่าที่จะเป็นเครื่องกั้นเนี่ยเพราะว่า จิตของของบุคคล น, นั้นเองจิตของพระพิสูจน์นั่นเองไม่ใช่ไม่น่าจะเป็นตัวศิกขาบทที่ทําให้กันแต่ว่าจิตของเขาไม่มีความละอายเพียงพอใช่ใช่แต่ทีนี้สําคัญนะว่าถ้ายังเป็นคนที่ไม่ค่อยรอบคบอบนะมันก็ไม่คู่ควรที่จะบรรลุแล้วเพราะไอ้เรื่องนะเกี่ยวกับเรื่องศีลนี่ถือว่าเป็นเรื่องหยาบที่สุดอยู่แล้วซึ่งผู้ที่ที่ของมาเชื่อว่าผู้ที่เขาเจริญอย่างเต็มที่เนี่ยนะผู้เป็นผู้ที่ละเอียดต่อความคิดของท่านเหล่านั้นเนี่ย ทุกเรื่องเลยะนะอย่างสังเกตดูว่าอาเรื่องอะไรอารมณ์อะไรที่ทํายังไม่เสร็จเนี่ยท่านรู้เลยอะไรเป็นปริโภชอะไรไม่เป็นต้นไหนเป็นเครื่องเนิ่นช้าอะไรที่ทําให้ไม่เนิ่นช้าเนี่ยนะซึ่งจริงๆแล้วพระที่ปฏิบัติเพื่อบรรลุพระนิพพานเนี่ยไอเกี่ยวกับอารมณ์ภายนอกท่านมีไม่ค่อยเยอะท่านจะไม่ใช่เป็นคนธุระมากเลยนะคือในเรื่องเรื่องเกี่ยวกับภายนอกตัวเนี่ยท่านไม่ใช่เป็นคนธุระมากเลยเพราะในอารมณ์หกทุกทุกอย่างในชีวิตท่านเนี่ยจริงๆแล้วท่านกําหนดได้ ถ้าเทียบกับพระพิสุตสมัยพุทธกาลกับพระพิสุตสมัยนี้นะโหห่างกันฟ้ากับดินจริงๆพระพิสุตสมัยพุทธกาลเนะีออกนอกวัดหรือออกนอกเข้าหมู่บ้านเฉพาะวันตอนเดียวตอนไหนบิณฑบาต ท, ที่เหลวนี่แทบไม่ได้เห็นหน้าคนเลยวันวันหนึง่งเนี่ยนะใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้นแล้วก็สนทนาการทำเป็นเป็นหลักเลยนะอย่างเช่นอะไรนะกลุมพระ อนุรุธะเป็นต้นเนี่ยนะที่ท่านอยู่อย่างนั้นแล้วก็อย่างเชตาวันเนี่ยท่านเหานั้นวันกี่เดือนก็ช่างเหอะของใครกับของใครไปเนี่ยนะเป็นสมัยที่ไม่มีการช่วยเหลือกันไม่มีไม่ใช่สมัยที่สงเคราะห์ซึ่งกันและกันไปบินก่อนเนี่ยนะฟังธรรมแล้วก็เข้าป่าไปอีกใช้ชีวิตอยู่แต่อย่างนั้นทีนี้ถ้าเกิดรูปใดรูปหนงนะเข้าบ้านเช้ากลับวัดสายเอาละเดี๋ยวเลิกเกิดเรื่องละภิกษุรูปนั้นทําไมเป็นอย่างนั้น นะจะเริ่มเดี๋ยวเข้าสู่ที่ประชุมแล้ ว, ลวก็มีการเตือนกันมีอะไรกันอุปชาอาจารย์เป็นต้นก็จะคอยสอบส่องซึ่งเทียบจากยุคนี้แล้วไม่เป็นอย่างนั้นใครจะไปค้างคืนที่ไหนจะไปทําอะไรไปกี่วันกี่เดือนก็ช่างเหอะของใครกับของใครไปเนี่ยนะเป็นสมัยที่ไม่มีการช่วยเหลือกันไม่มีไม่ใช่สมัยที่สงเคราะห์ซึ่งกันและการแบบแบบสมัยก่อนเนี่ยนะที่มีผู้สงเคราะห์ด้วยอมิตรและก็สงเคราะห์ด้วยธรรม แบบโบราณแบบสมัยก่อนเนี่ยนะครูบาอาจารย์ทั้งหลายเข้าเป็นผู้ที่คอยสอดส่องเป็นผู้ตามอนุเคราะห์ทั้งด้วย อ, อ, อมามิตรและด้วยธรรมะว่ า, เ, าเช่นอันเตวาสิกสัตยวิหารที่ของท่านจะเดือดร้อนด้วยตัจจัยสี่ไหมเขารำบากเรื่องบาอาเรื่องจีวอนเรื่อ ง, อ ง, องที่อยู่อาศัยเรื่องอะไรไหมก็สอดส่องทั้งหมดแล้วคุณธรรมของเขาเป็นยังไงเป็นยังไงท่านก็จะคอยสอดส่องกันทั้งหมดทีนี้ในขณะเดียวกันนั้นลูกศิษย์ก็ต้องอะไรนะี เป็นลูกศิกษย์ที่สมควรแก่การสงเคราะห์เนี่ยนะก็สมควรแก่การสงเคราะห์พระอัญญาโกณพระัญญาณธัญญาเนี่ยไปเตือนลูกศิษย์และลูกศิกษย์ไม่สนใจท่านก็เลยโอ๊ยไม่อยู่ไปอยู่กระชางดีกว่านะท่านก็เลยไปอยู่ที่สาสะฉาพันเนี่ยนะนยธัญญาโกณธัญญาเนี่ยไปอยู่สะฉ า, าพันอยู่สิบสองปีจนปริณิพานที่หลีกไปอยู่ด้วยเหตุผลส่วนหนึ่งคือลูกศิกษย์สอนไม่ฟังท่านก็เลยหนีไปอยู่ป่าเห็นไหม ไปพูดแล้วก็ลูกศิษย์ก็ไม่เห็นด้วยบอกว่าอย่าไปคบนะคนนั้นไม่ดีเขาเป็นอารัชีอย่างนั้นอย่างนี้ลูกศิษย์ก็ไม่ไม่เห็นว่ามันมีโทษอะไรท่านก็เลยบอกว่าจะประโยชน์อะไรด้วยการให้โอวาดคนเหล่านี้ท่านก็เลยไปเลยคนคมเขมนคนเขาให้เหตุผลว่าเพราะว่าภาษาลิบุตรเป็นเป็นลูกศิษย์นะฮะและเป็นอักษรส า, าววงแล้วก็ภาษาลิบุตรเจอก็ต้องกราบใช่ไหมครับท่านบอกว่าท่านเลยท่านเลย ไปอยู่ยด้วยเหตุผลหลายๆประการไอการที่ไปอยู่ที่อื่นนั้นก็ก็ที่ที่ไม่ค่อยอยู่ในพุทธสํานักอะนะอันนั้นก็เหตุผลหนึ่งแต่เหตุผลที่ไม่สงเคราะห์ลูกศิษย์เนี่ยนะก็เพราะว่าสอนลูกศิษย์แล้วลูกศิษย์ไม่เอาท่านก็เลยไปอยู่ให้ช้างอุปถัมภ์ไม่ใช่ท่านไม่มีลูกศิษย์นะท่านมีแต่ว่ามีแล้วก็คุยกันไม่รู้เรื่องว่างั้นท่านก็เลยไปตามทางของท่านแต่ว่าที่เหตุผลที่ไม่ค่อยได้อยู่ในพุทธสํานักนะก็เหตุผลนั้นด้วยว่า ท่านรังเกียจการคลุกคลีอย่างหนึ่งคือเห็นปัญหาเห็นภาระในการคลุกคลีเนี่ยนะอย่างที่หนึ่งนะอย่างที่สองก็คือท่านเกรงใจพระอัครส า, าวกที่ต้องมาคอยอุปถากต้องมาคอยลุกรับต้องมาคอยเชื่อเชิญท่านอะไรท่านเนี่ยนะท่านเห็นว่าถ้าอัครส า, าวกท่านไม่ไม่สมควรที่จะต้องมาคอยทํากิจมันโดดรังเกียจการคลุกคลีจรงิงๆท่านไม่จะไม่อยู่กับพระโพธิ์นะปลีกตัวออกไปซะย่อนเลยพระโพธิสัตว์ไม่ได้คุยกับใครเลยนะ ตอนที่ท่านบำเพ็นจริงๆนะศีก็คอยระบางคนไป น, นะนะบางแห่งปั๊บนี่คนจะเกรงใจหมดเลยอะไรก็เป็นไปไม่ได้มันเหมือนอะไรท่อันนี้นี่นี่นี่อุปมาสำนวนนะไม่ใช่เป็นจริงคือเหมือนกับอะไรนะเหมือนมีอะไรไปขวางไว้สักอย่างหนึ่งนะนะตืนก็ไม่เข้าคายก็ไม่ออกมารู้จะทํำยังไงเนี่ยนะนะแต่ว่าพระัญญาโกณทัญยานี่ยท่านเป็นคนที่โดยพื้นเพอยทัญยาศัยจริงๆของท่านนะ ถ้าท่านเป็นคนไม่ใช่มักน้อยสันโดรรังเกียจการคลุกคลีจริงๆท่านไม่จะไม่อยู่กับพระโพธิสัตว์หกปีหรอกก็ไม่มีการคุยกันเลยพระโพธิสัตว์ไม่ได้คุยกับใครเลยนะตอนที่ท่านบำเพ็ญเปลี่ยนมั้นลูกศิษย์ก็คอยอุปถาไปงั้นอุปถาก็อุปถาห่างๆแล้วท่านเหล่านั้นในสมัยแถวแถวตำบลรูเวลาเสนานิคมเนี่ยคิดดูมันตาขนาดไหนตอนนั้นแล้วท่านอยู่อย่างนั้นจนจนตั้งหกปีอ่ะแล้วแล้วตอนหลังท่านท่านเป็นพระอรหันต์อยู่ที่ไต่สิบปัตตานีอีก แถวนั้นเนี่ยนะห่างจากตัวเมืองพาราณสีตั้งสิบกว่ากิโลใช่ไหห่างจากตัวเมืองพาราณสีเป็นสิบกิโลแล้วมันจะเป็นป่าขนาดไหนสมัยพุทธกาลเนี่ยพานก็ท่านเป็นเป็นผู้ที่ยินดีในการหลีกเล้นอย่างมากเนี่ยนะและอย่างหนึ่งถ้าบอกว่าห่วงเรื่องการสอนการอะไรมีคนที่สอนดีกว่าท่านตั้งเยอะแยะเนี่ยนะถ้าถ้าเป็นห่วงว่าจะต้องคอยสอนคนนั้นคนนี้เนี่ยนะ พระสารีบุตรก็อยู่พระโมคกขลานะก็อยู่พระมหากระจายนะพระมหากัะสตาพระนนท์พระอะไรที่เทศเป็นที่ทรงจำคัณสอ์อะไรได้เยอะแยะมากมายท่านเหล่ า, า, านัาา้นก็ทําอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่าท่านบอกว่าไม่จําเป็นต้องมีท่านอะไรไนะก็คือท่านก็เลยหลีกเล้นที่จะไปอยู่อย่างผาสุขเนี่ยนะแล้วก็ท่านก็สบายมีความสุขอาการฉันเผือกฉันมันอยู่กับช้างไปแล้วก็มันเป็นความผาสุขอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะยิ่งพระอรหันต์ที่ได้นิโรธสมาบัติได้พลัสสมาบัติ แล้วก็มีอภิญยาเนี่ยว่าเป็นความสุขอย่างมากเลยนะที่ได้อยู่ในสภาพนั้นแต่ถ้าเห็นการคลุกคลีนี่เป็นภาระขึ้นมาทันทีเลยเพราะอย่างว่านะอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วจะไม่ทักอยู่ขันขันเดียวนะห้าขันแต่หนึ่งนับหนึ่งมันก็มีปัญหาแบบหนึ่งถ้าอยู่แบบสองมันก็มีปัญหาแบบสองถ้าอยู่เป็นสิบมันมีปัญหาแบบสิบ ถ้าอยู่แบบเจ้าของบริษัทมันก็จะมีปัญหาระดับบริษัทอย่างเงี้ยถ้าเป็นผู้นําประเทศมันก็มีปัญหาระดับผู้นํามันก็จะเริ่ ม, มปัญหามันก็จะาตามมาตามทีนี้ข้อปฏิบัติหรือคําสอนในพระพุทธศาสนาเป็นคําสอนที่ให้เห็นโทษของสังขารโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นไอ้มหาปริศลวิตกของพระนุรุทธาเนี่ยท่านคิดเลยว่าเออธรรมนี้นะผู้แปลว่าใครที่จะบรรลุโลกุตระธรรมนะต้อง มากน้อยไม่ใช่มากๆต้องสันโดษไม่ใช่ไม่สันโดษต้องไม่คลุกคลีไม่ใช่คลุกคลีต้องเป็นผู้ที่มีความอต้องมีความเพียรไม่ใช่คนเกียจคร้านต้องเป็นของผู้มีสติไม่ใช่หลงลืมสติเป็นของผู้มีจิตตั้งมั่นไม่ใช่ ฟงซ่านเป็นของผู้มีปัญญาไม่ใช่ไม่มีปัญญาโปองก็มาบอกว่าเป็นของผู้มีความไม่เนิ่นช้าเป็นที่มายินดียินดีในความไม่เนิ่นช้าเพราะฉะนั้นโลกุตระรมจริงๆเนี่ยใครที่จะบรรลุโลกตัวเองช่วยเขาได้ถามว่าจะนั่งอยู่ไหมนั่งไม่ได้หรอกใช่ไมันก็ต้องลุกไปทำอะ่ะแล้วตัวเองก็ไม่ได้เดือดร้อนด้วยนะซึ่งอย่างที่ว่าเวลาเขาสาทู่โป่งเข้าพระสมาบัติไปแล้วอ้าวแล้วทําไมโป่งจึงมาสงเคราะห์ประชาชนละ่ะ มหาการุณามันกระตุน้นอยู่ไม่ได้เพราะการุณาพลังของมหาการุณาสมาบัติญาเนี่ยทําให้พระองค์ไม่สามารถที่จะประทับอยู่อย่างเสวยสุขโดยส่วนเดียวได้เพราะการุณากระตุน้นนะสงสารคนอื่นจับใจเนี่ยแล้วรู้ด้วยว่าช่วยเขาได้เนี่ยสงสารเป็นที่แล้วรู้ด้วยว่าตัวเองช่วยเขาได้ถามว่าจะนั่งอยู่ไหมนั่งไม่ได้หรอกเช่อไหมมันก็ต้องลุกไปทำอ่ะแล้วตัวเองก็ไม่ได้เดือดร้อนด้วยนะซึ่งหนึ่งนะ สงสารเขาจับใจแล้วรู้ด้วยว่าช่วยเขาได้แล้วก็ไม่ได้เป็นภาระอะไรในการในของตัวเองเลยนะที่จะช่วยเขาอ่ะสตางไปแจกพวกน้ำช่วยด้วยเอาถามว่าจะนั่งอยู่ไหมก็ไม่นั่งพระองค์ก็จะช่วยอย่างนั้นด้วยด้วยกำลังแห่งกรุณาในขณะเดียวกันพระองค์ก็มีปัญญาพอที่จะรักษาตนให้ไม่ไม่ไม่เสียหายเนี่ยนะพระองค์ก็มีปัญญาพอแต่ว่าคนอื่นๆเป็นอย่างนั้นไหม เนีย่ยตรงนี้น่าคิดเพราะว่าอย่างว่ า, าเราก็ไปเจริญพุทธคุณบอกพระ อ, องค์เป็นผู้มีพระมหากรุณาต่อมูสัตมาประมาณไม่ได้เราเอาบ้างต <c oughs> ายอย่างเดียว <c oughs> ะนะก็เหมือนอะไรนะเหมือนกับว่าเห็นคนอื่นเขาเนี่ยน้ำท่วมก็เอาสตังค์ไปแจกพวกน้ำท่วมอีกแล้วไฟไหม้ก็เที่ยวไปแจกคนอดอยากก็ไปเที่ยวแจกก็หมดนะเออเราเห็นเอเนเอดีเอาบั่งเอาบ้างก็เลยขายบ้านขายช่องไปเที่ยวแจกหมดเลยนะเสร็จแล้วอยู่ได้ไหม ก็อยู่ไม่ได้อีกเราไม่รู้กาลังของตนนี่ก็ลักษณะเดียวกันนั้นผู้ที่แสดงธรรมผู้ที่กล่าวธรรมเนี่ยนะในขณะเดียวกันจะต้องรู้กําลังของเราเองเหมือนกันนะเพราะหมายคขาว่าถ้าอากุศลมันกลุ่มรุมแล้วมันช่วยเอาตัวไม่รอดหรอกเันก็ดูแรกๆเนี่ยมันเป็นความลวงชนิดหนึ่งเหมือนกันนะแต่เหมือนก็ว่าเหมือนมาในรูปแบบของผู้มีกรุณาเอาเข้าจริงๆบางทีอาจจะไม่ใช่ก็ได้ เนี่ยนะว่าต้องต้องพวกผู้ที่ศึกษาธรรมะนะต้องเป็นคนละเอียดจริงจริงแล้วก็ต้องเป็นคนที่เขามามีความเชื่อว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างระแวงระแวงอะไรระแวงวัตตะอย่างเต็มที่เลยแหละเนี่ยนะค่อนข้างเป็นคนที่อะไรนะองค์ของอะไรนะทุ ก, กันเขามีองค์่นะระแวงอยู่ตลอดเวลาเลยนะในมิลินท์ปัญหานี่ต้องมีคุณธรรมอย่างนั้นจริงๆเลยนะต้องระแวงมากๆเลยถ้าไม่ระแวงจริงๆนะถามว่า คืออย่างว่านะคนที่มีสตังหน่อยเนี่ยนะเวลาจ่ายตลาดเวลาถามว่าเขาไปอย่างเย็นสบายเลยไหมสั่งซื้อของเนี่ยมีความสุขมากอะเย็นชี้เอาหมดเลยอย่างนั้นไหมมันมีแต่ในหนังอ่ะนะที่ว่าเนี่ยแล้วก็มีฉากเดียวอ่ะนะแต่ฉากอื่นก็ไม่มีหรอกอย่างนั้นนี่ก็ลักษณะนั้นแหละเพราะคนที่มีทรัพย์คือศีลเป็นต้นเนี่ยจริงๆแล้วก็ระแวงเหมือนกาอย่างที่ว่าเป็นคนที่อะไรนะไม่ประมาทโดยประการทั้งปวง สรุปว่าไม่ประมาทในสังขารโดยประการทั้งปวงแล้วเนี่ยพระพิสุทธิสมัยพุทธกาลเป็นผู้ที่โจทย์ตนเป็นผู้ที่เตือนตนเนี่ยนะแล้วพระองค์ก็สอนด้วยใช่ไหมว่าตนเตือนตนนั่นแหละอัตติอ่าท่านครั้งหนึ่งแล้วที่ที่ยกมาแสดงใน